การปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่สละบ้านเรือนมาการงานหน้าที่มาประกอบกับการปฏิบัติจชีวิต ร, ร่วมกันหัวอกอันเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ที่เราศึกษาก็อันเดียวกันมีความเพียรมีสติ เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมจนเกิดอาการต่างๆขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดเบื้องต้นก็เจอกับกายเจอกับเวทนาเจอกับจิตเจอกับธรรมที่มันมีอยู่แล้วก็มีสติมีสัมผสชัญญะผ่านไปเรื่อยๆ น, นอกจากนั้นก็มีผลงานเกิดขึ้นว่ามีเพา่มสงบมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่วนวายผ่านนิวรณธรรมได้บ้างเอาไว้หลังได้บ้าง จะไหมก่อนทำที่แรกก็ออยันหลงความหลงเกิดขึ้นเพื่อให้เรามีสติเพื่อให้ลูกประสบการ์ความลูกความหลงเกิดขึ้นเอาไปเอามาเห็นแล้วเห็นอีกความหลงก็น้อยลงความรู้จักตัวมากขึ้นแต่ก่อนเหมือนกับดึงไปดึงมามันคิดไปดึงกับว่า เป็นผู้คิดเป็นผู้กลับมากลับกายเคลื่อนไหวถ้าไปทามามันก็เป็นเมื่อกลับมาเองพอจะสอนได้ก็เลยมีสติเช่ได้เกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นระว่างประกอบการศึกษา โลกเห็ดในสิ่งที่มันมีต่อหน้าต่อตาได้หลักได้ฐานเห็นรูปธรรมเห็นหนามธรรมเวทนาอย่างเดียวก็อย่างเดียวต่อไปถึงร่างบางเวทนาไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนควา ม, ววามคิดจิตใจไม่ใช่ตัวเชื่อตน ธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นกุศล ก, ก็ไม่ใช่ตัวช่วยตนโ้สูนสมาธิเกิดปิติเกิดปัสจุ thi ก็ไม่ใช่ผ่านได้ถึงอุเบคาเรียกว่าศึก ส, สมาธิมันทำให้เห็นรดยละเอียด เหมือนกล้องเหมือนอะไรที่จับภาพไม่ได้เห็นสติเป็นไงสมาธิเป็นไงปัจจติเป็นยังไงโอเบคาเป็นไงก็มีสติทั้งนั้นแหละเบื้องต้นเห็นรูปเป็นนามท่ามกลางก็เห็น สินสมาธิปัญญาที่สุดก็เห็นความหลุดพ้นจนถึงกับว่ามีสติแล้วเวาอยู่มีสติแลแล้วอยู่ยภาษาที่เขาพูดกันวน่ายานไม่ใช่ของไม่ใช่ของที่เราไปสยก ไม่ใช่ไปทิ้งสติสติแล้แล่ารอยู่มีสติแล้แล่ารอยู่เรียกว่าที่สุดอะไรเกิดขึ้นมีสติแล่าระยู่เพราะมันถึงจุดหมายปลายทางในการฝึกตนสนตนแต่ยังมีสุขมีทุกข์อยู่กําลังเดินทางเปลี่ยนอะไรต่างๆเป็นสภาพที่รู้ มีสัมผัญชะมีสัมผัสมีสติก็ไม่ได้ไป ถ, ถอนหรกพรมีสัมผัสมีสติสิ่งที่เกิดขึ้ น, นก็พ้นไปแล้วไม่เข้าไปเป็นเห็นมันมั้นเราเดินทางเห็นแล้วก็ผ่านไปเพราะเห็นเพื่อจึงมีทางแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ทําบันเดียวกัน ทุกชีวิตทำสิง่งเดียวกันไม่ว่าหญิงชายหรือนักบวชครว่าเจ้าโยมเพศใดภาษาใดไม่เกี่ยวมีเทสติมีเสตมเสมมติเญอะเห็นของที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ไปหากอบประกอบไมนกับประกอบอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน แล้วก็ลื้อได้มีที่ขันมีนที่เคลียร์มีที่ลื้อออกอันเห็นรูปหรือว่าเห็นเป็นส่วนที่เป็นก้อนลื้อออกหรือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกายจักว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เป็นเวทนาเคลียร์อ อ, อกเพราะไม่ใช่ตัวใช่ตน ไ, ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา สิ่งที่ลือออกถอนออกไปเรื่อยๆเรียกว่าพบเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่ทุกก็มีอยู่สุขก็มีอยู่หลงก็มีอยู่รู้ก็มีอยู่สภาพที่รู้เป็นตัวเฉลยผ่านไปผ่านไปเวลาเราปราลบความเลหยนย่อมเห็นเหมือนกับเราลื่นตาย่อมเห็นสิ่งต่างๆ เรามีสติหมนตาภายในเลิ่นขึ้นมาก็เห็นไม่เห็นก็ประกอบขึ้นสติมันจะเกิด เ, เพราะการประกอบไม่ใช่เกิดแบบลอยๆประกอบขึ้นมาามวิชากรรมาฐานประกอบขึ้นมา <c oughs> ลบความเพียรความเพียรคือการจะทำบ่อยๆกล้า กที่จะเห็นประเชิญหน้านั้นจะหลบมันจะหลุดไปทางไหนก็พยายามมาดูกันอีกล้วก็เราศึกษาวิชาการต่างๆจเลประหารกรรมต่างๆเราก็ดูอากันดูเรามันใช่ๆช่การดูเฉยๆ้เราศึกษามันตลุงมันจาเป็น ไมใช่ศึกษาเพื่อทัศนะสนุกสนานนั้ศึกษาเพื่อถลุงพย่อยมันเกิดว่าศิกขาของเรามีสามศินสมาธิปัญญามันเป็นการถลุงเจ้าตุ้นเจ้าก้นมันเป็นเนื้อใช่ได้ถ้ามันใช่ไม่ได้ยังไม่เป็นสินในว่าศิกขาศิกขาก็คือศึกษา ล้วก็เราก็ศึกษาแบบผู้ใหญ่ทั้งแบบอนุบาลอนุวาลก็คือยกมือเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกับเราดูหนังสือกไก่ข้อไข่ตาเราเห็นกไก่บ่อยๆมราก็จำกไก่ได้จำได้ก็เขียนได้อ่านออก อยู่ที่ไหนก็เป็นกอไก่อันตัวสภาพที่รู่สิบตัวมันก็เกิดมืนตาขึ้นมามันก็เห็นเห็นไก่มันอ่านเห็นไก่มันก็คือไก่เห็นไปเห็นมามันเป็นมันเป็นรูปอย่างเดียวแต่ว่าเห็นแ้งเห็นเวชนาเห็นไปเห็นมาก็เป็นรูป เวทนาในเวทนาเวทนาเฉยๆมันเป็นตรรมชาติเป็นขันธ์หน้าล้วนๆเป็นเป็นมหาปุตตลูกที่เป็นขันธ์ที่อาศัยไม่ใช่ขันธ์ที่ไม่มาลงโทษเวทนาในเวทนามันร้อนอย่างนี้อันนี้ขันธ์ธรรมดาหน้าขอบคุณความร้อน มันหาวนี่เป็นขันธรรมดาไม่ไม่ควรที่เอามาเป็นเวทนาในเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเอาขันเตาเวทนามาเป็นสุขเป็นทุกข์อนุกเวทนาในเวทนาถอนอลกไม่สติเห็นเวทนาก็สับว่าเวทนาอาจจะัดปุกคนโตอตอนเราเขานี่ย จิตก็กหมือนกันจิตล้นล้วนก็คือผ้าที่เขาแต่สิงที่มาเปืเป้อนว่าจิตในจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะจิต น, นั่นหรือว่าจิตในจิตแต้จิตเฉยเฉยไม่เป็นไรใช่ได้ละความชั่วทำความดีสําเร็จร่วมกันกับลูกกับกายทำชั่วละความชั่วทำความดี ถ้ามันมีจิตในจิตมันก็ร่วมกันทับชั่วได้อันนี้ถ้าเป็นจิตธรรมดามันก็ไม่มีอะไรมันก็อาศัยจิตนี้พอแล้วพอตัวสามารถถึงมากถึงผลได้ถ้ามีจิตนี้ไม่เห็นจิตในจิตมันก็พาไปนรกได้ในจิตก็มีภพภูมิเป็นเปร เ, เ, เป็นสุรกายเป็นสารโลกเป็นเบญจานได้ ในเวทนาก็มีพบปูมเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นจัรโลกเป็นเดริชานได้ในกายก็มีพบปูมิเป็นเปตเป็นสุรนาสุรกายจรลโลกเดริชานไถ้ามันเป็นกิจกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าไม่เห็นก็เป็นพบเป็นภูมิเรียกว่าเกิดดับ ของนาำมะลุกไม่ใช่เกิดดับของรูปน้ำเกิดดับของรูปน้ำคืออยู่ในหลุมฝังศพถือเชิงตะกอนไม่ใช่การตายการเกิดแบบพุทธเจ้าตด้ได้ค้นพบได้อยู่หนอการเกิดเจ็บเจบตายหมายถึงการเกิดเจ็บเจบตายในทางนา้ำมะลุก นามรูปนี่มันเกิดจากอาจนะเกิดจากความหลงก็จากความไม่รู้พอหลงอวิชาก็ไปเป็นพบเป็นชาติชาราโมนะถ้ารู้ก็ก็ดบับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งไปอันหนึ่งกลับมหมายถึงอะไรมันเป็นคู่ เส้สายไปผ้าไม่มีคู่สายบวกสายลบถ้าตัดสายหนึ่งออกมันก็เดินไม่ได้ก็ต้องมีในกระแส ร, ร่วมเป็นไปผ้ามาตกกับกายเราก็เป็นกระแสเข้ามาทาให้เกิดโชคตัวตายได้เราตายจากความชั่ว เ, เราายจากความดีเราตายจากศินจากธรรม มันมีเกี่ยวข้องกันมีอวิชาพกเราไม่รู้ก็เกิดตามหลักก็อวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดนามรูปอ่าไม่ใช่เกิดรูปนามนามรูปมันเกิดทางอจตนะนามรูปก่กอกให้เกิดอจตนะอจตนะก่อให้เกิดผัจจะ ถ้าจะไปจริงๆหยุดที่ปัจจัหยุดได้มันรถที่มันมีทั้งคันเบรกได้ปัจจัมีสติเข้าไปมีสติรู้จึกตัวเข้าไปเวลามันเกิดผัจจัในกายก็มีผัจจัในเวทนาก็มีผัจจัยสัมผัสกับเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยผัจจัยสัมผัสในจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยปัจจัย เป็นความโลภความโกรธความหลงเราผัสสะในธรรมที่มันเกิดกุศ ล, ล, ล, ล, ลอกุศลง่วงเหงาหอนเกิดความสงบเกิดความมุ่งสั่นเราผัสสะตําผัสได้สัมผัสได้สัมผัสแต่ผัสสะนี่เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปได้กลิ่นก็เป็นรูปได้รสก็เป็นรูปได้ นอกจากกายที่มันสัมผัสกับความร้อนความแข็งความหนาวความอ่อนผลผเสดตัวนี้มันก็ขุมในรูปดามเราก็เห็นมีสติมีความเพียรมีสติในมีสติมันก็ถอนแล้วไม่ต้องไปบอกเมื่อมีสติมันก็ถอนแล้วมันก็ไม่ไม่ไปแล้ว หยุดแล้วหยุดตรงนี้แล้วเหมือนรถที่เหยียบเบรกก็ไม่ไปแล้วต่อมองเข้าไปอีกมันไม่อยู่เข้าเจอว่างเลยไม่ใช่ทัวไม่ใช่ตน้นเอ้ยเราหนึ่งเดินขึ้นเขาไปดูดูวัดเขาขอยที่ญาโจมถวายให้จังหวัดระยองอำเภอแกลง ไปด้วกันกับชมบกป่าป yeah. บกตรงเขไปขึ้นเขาเหนื่อยอไม่โยมกันหนึ่งก็เมื่อยล้วไม่รู้จะไปทําไมหมดเรี้ยวหมดแรงแล้วเดินบูกป่าบกตรงอ่ะดูมันก็เห็นแล้วนในภูเขาก็วดแผลดูดีดีเสีมันก็เหนื่อยมันก็ดีแล้วเป็นงาการของกายความเหนื่อยความเมื่อยล้วความ ดงพงป่อยมันมีหนองไม่้ําเออมันเจ็บมันเหนื่อยมันอันนี้ก็เป็นอาการของกายไมยใช่เราถ้าพวงเอาตรงนั้นโอ้เราก็ได้สติขึ้นว่าเป็นอาการของกายเป็นอาการของลูกน่าจะขอบคุณวันทำไมา่มามีปัญหาเอาปัญหามาเป็นปัญญาตรงนี้ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรม อาจจะไม่ต้องไปสร้างจังหวะเดินย่างกรมเอาตรงนี้แหละผัดสักดิ์ไปสองวัดตรงนี้เข้าไปเลยแต่ ว, ว่าหักหักคอคนใจหนาโนกฏเจ้าโมมีโมห ม, มกูมมนคอยกัาแม่ต้องคำหักขอคนใจหนาโนกฏหักคอแล้วก็รู้ได้นะออมันเป็นอาการของกาย ขจะเนี่ยรู้สึกตัวทันทีเอาเอาจุดโอนให้มันเข้มแข็ง ม, ม, มันเช่มแข็งอยู่ในจุดโอนมันจะทุกข์กลายเป็นปัญญาได้นั้นเนี่ยขจะเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมพรออมก็ทำให้กับขจะไม่เป็นน้้องตาก็เลยพูดว่า เป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้เป็นเห็นมันเหนื่อยถือเป็นผู้เหนื่อยตรงนี้ผัสสะถ้าเป็นผู้เหนื่อยเรียกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาจุดอ่อนถ้าเห็นมันเหนื่อยจุดอ่อนแล้วก่นไปไม่ได้แร้วจะเป็นผัสสะที่เป็นสุขเนทุกข์ไปไม่ได้เปลี่ยนความโง่ความหลงเป็นปัญญาอะไร เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเปลี่ยนทุกเป็นปัญญาเปลีญญ่ยนอะไรต่างๆเป็นปัญญาได้เรียกว่าศึกษาแบบผู้ใหญ่เรียนรัดบท ว, วิชาได้แล้วก็มาประกอบมาทบทวนกับการปฏิบัติการสัมผัสการเริ่มต้นรูปแบบกรรมฐานยิ่งดีอย่างขงตัวกว่าข้องตัวกว่ า, ววาถ้าเราไปรูปคําอย่างเดียวก็ไปยาก เราจึงเอาส่วนประกอบเหมือนมาบวกเลขคณิตศาสตร์เอาห้ามานับนิ้วมือเนี่ยเอาบางทีก็ขีดใช่ไหมขีดหนึ่งสองสาสี่ห้าเป็นเด็กนักเรียนนะเอามารวมก็วนนับดูสิเอานี้ก็ห้านี่ก็ห้าหนึ่งสองนับเราก็ลืมก็นับอีกหนึ่งสองสองมสี่ห้าหกเจเก้าโอ้ก็เป็นสบ นับแล้วนับอีกบางทีก็นับหลงด้เก็ว่ามีไหมอ่าอันนี้เรียกว่าแบบโนวนัตแบบการศึกษาแบบกวัวิชาอะไรสูตรคูณสองข้างก็เป็นสิบไปเลยทิดเดียวถหมถ้าเป็นลูกคิดก็คิดเจ้าสัจสีงเงาลักคีดลูกคิดสองตัวมานับออกหน่วยสิบร้อยพันมันมีเลขขึ้นต้นไหนก็ขด คิดลคิดไปเลยเป็นบวกก็เป็นเลยอันนี้เราว่ากวดวิชาการศึกษาแบบกวดวิชาแต่ทีนน่จะเรียนสี่ปีห้าปีเรียนสองปีเท่านั้นจบเลย <c oughs> อันนี้ก็ต้องต้องต้อ ง, องพัฒนาบะการศึกษามใาใจซื่อบือ้อนะเวลามันหลงก็พัฒนาความหลงเรามันทุกพัฒนาความทุก ตรงนั้นแหละมันน่าพัฒนาตรงไหนที่มีปัญหาหน่าพัฒนาต้องให้ผ่านมันเป็นเกณฑ์ขีวัตเราแล้วถ้าปัญหาเป็นปัญหาเ ป, เป็นเกณฑ์ขีวัตผ่านไม่ได้ถ้าปัญหาเป็นปัญญามันมันย่อมผ่านได้เราสวดความเขียนชอบเป็นอย่างใดเล่าที่สุดเบื้องต้นก็สติด้ามกลางก็สติที่อ่ที่สุดก็สติมสตี ส, สติแล้วเราอยู่ ทำไมจึงมีสติเพเราะโลประกอบสติจะเกิดขึ้นเพราะก่อนประกอบการประกอบคืออะไรคือความเพียรเพียรคือจงังเดประคองทักษิทประคองตั้งความรู้ไว้สติไว้มีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ไม่ต้องถอนความพอใจและถอวามพอใจอันนั้นเป็นอภิธรรมรายละเอียด แต่เรายกมือสร้างจะบอกมั่นคิดไปก็มาเนี่ยมันก็เป็นความเพียนเครื่องเบาจิเลตมีสัมจิญญะมีสติแล้วเอ้ยอะไรสติเนาะมาคิดเหมือนกับนกมันจับจริงไหมนกเป็นมินไปไปหาเออมันจับตรงไหนหามันก็ไม่มีประโยชน์ละตรงนี้ตรงที่มันจับง่ายอะไรที่มันจับมาเป็นไม่อย่างนี้อย่างนี้ ต, ตอนนี้ค่ะนกไม่ค่อยจับตอนนีค่ะลตันมกแดงมดอะไรก็ไม่จับเหมือนนักต่อนกเขาก็มีเครื่องต่อนกมีเล้วมีตั้งบานมีผ่นเนียดเอาคนที่จะทำให้นกจับมันเป็นรูปลักษณะอย่างไรไม่ประเภทได้ไม่ใช่เราทาเล็กเกิดทาเล ถ้าสเล็กไปใช่เลยไม้ที่นกจับเป็นไม้ที่ธรรมชาติมีมีเปลือกมีผิวธรรมชาติเอามาเพียดเป็นต่าเป็นจริงไม้หลอกกันนะนกมันชอบจับเลยดูอะเขาก็ดักต่อนกเขาหลอกเข า, ห ล, ข า, ขาหลอกความหลงความทุกข์มันก็หลอกเราดูดีๆนะ เราจึงดูดีจึงมีสติเนี่ยมีสติเป็นผู้ใหญ่ทันทแถ้าขาดสติก็เป็นเด็กเลยทันทีไม่ได้ศึกษาเลยหลงอยู่ล่่ยไปในขึงที่หลงหลงล่ยไปไอสิ่งที่ทุกข์ทุกข์ลุ่ยไดเลยไม่ฉลาดตรงนี้สักทีมันก็เจอเรื่องนี้ทุกอย่เลยปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ใช่มันหลบรีไปไหนมันเจอเข้าจริงๆตัวลูกก็เจอตัวลูกนี่ลูกสัมผัสตัวต้องสัมผัสสัมผัสที่เป็นภวะตัวลูกถ้าไม่มีตัวลูกไปสัมผัสก็หลงตรงที่มันสัมผัสจึงมายกมือเคลื่อนไหวไปมานะั่นให้สัมผัสสัมผัสก็ลูสัมผัสก็ ล, กกลกูจึงประโกอ จึงเป็นกรรมฐานจึงเป็นวิชาศักดิก์สิทธิจึงเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้เรียกว่าวิชากรรมฐานถ้าไม่ทำตรงนี้แม้จะจบอะไรบางก็ไม่ใช่ศาสตร์อะไรมาก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจบมาทั้งสิบเศาสตร์แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าสัมผัสกับพระวจีดุกว่าเนี่ย วันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่โบราณแล้วเดือนหนึ่งแล้วเดือนยี่แล้วเดือนสองแล้วแต่พอปีใหม่ของคนสมัยใหม่ก็ต้องเป็นวันที่เด่นดสมัยโบราณเขานับจันทรคติสมัยทุกวันเขาทับสุริยคติใช่ไหมฮะหรือว่าปี ปีหลวงปีหลปีล่าก็นับขั้นขึ้นข้างแลบปีหลวงก็นับวันที่เดือนขี่ก็นับก็หมดวันคู่ก็เดือนคู่ก็หมดวันขี่เดืนเดือนหนึ่งก็หมดวันแรมสิบห้าค่ำเดือนยี่ก็หมดวันแลมสิบสี่ค่ำมันก็ ไม่ถึงสามสิบวันทุกเดือนแล้วก็กำหมดหน้องเ้องนับขัข้งขึ้นขั้งแรงโดยดูนี่ก็คัคืนอาจจะมากกว่างวานหน่อยหนึ่งทุ่มก็เมืดแล้วอะไรเป็นอย่างนั้นเป้าโลกมันหมุนตอนต่อปอยู่สัารัตเนี่ยเดือนนิทุ น, นา ก, กรกฎาเนี่ยสี่ทุ่มแล้วยังไม่เมืดเลย ไเล่ยเคยตายกันมาจิ้นผักปลูกผไว้แถวชิคาโก้ก็ตายมาจินผักก็ไปไล่กเคตายอ่าสี่ทุ่มเราจะไม่มืดเลยไม่ต้องเปิดไฟเลยอันนี้บางทีเขายุโรปอเมริกาเนี่ยเขาได้ฟรีไปปีหนึ่งอาจจะรด้ฟรีไปหลายชั่วโมงบางครั้งบางครั้งก็กังวันมากกว่ากังคืน นี่เลยว่าเดือนละเดือนหลวงตามทุกวันหยาเพื่อเป็นสากลของโลกแต่ทุกคนโบราณเรานเอาค้องขึ้นเครื่องเล่มต่อเป็นปีใหม่อยากให้พลปีใหม่เปลี่ยนความหลงเป็นปัญญาเปลี่ยนความทุกข์เป็นปัญญาเปลี่ยนความโกรธเป็นปัญญาเปลี่ยนความรักความชังเป็นปัญญาเปลี่ยนบัญหาเป็นปัญญาให้หมดทุกอย่างหัดตรงนี้จะได้รับของใหม่ๆ อิ่บอะไรทีเดียวไม่เปืเป้อนกับสิ่งใดถ้าเปลี่ยนเป็นว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใหม่เลยเกา่ากเก่าใช่ไหมยิ่งเก่าคข้มขึไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นส น, นิมไปเรื่อยนะความโกรธไม่ใช่โกรธที่เดิวโกรธมากเป็นเปรตไปได้อะไรก็ง่ายที่โกรธออกหน้าออกตาความทุกข์ก็ออกหน้าออกตาเ อ, อ, อืออมหลงก็ออกหน้าออกตา มันไม่ใหม่เหมือนเสื้อผ้ามันใหม่ดูสวยงามตอนมันอะไรมันมันทำมันเปลี่ยนมันซักออกก็มันเปื่อนเปื่อนก็ซักออกที่มันหลงก็ซักออกคือความรู้สึกตัวตอมันโกก็ซักออกเกิความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยทําให้เกิดของใหม่เรียกว่าผมมาจัดประพฤืชผมมาจัดเรารู้สึกตัวเราทําบาปทํากรรมอะไร มันหลงไปก็รู้จักตัวเนี่ยเว้นบาปแล้วให้เห็นมันหลงยิ่งดีอย่างถ้าเป็นละเปรอะเปื่อนแล้วให้ทําตรงนี้เริ่มต้นซะเพื่อเข้าสู่เพื่อทิ้งของเก่าให้หมดไปเพื่อเอาของใหม่เข้ามาให้มันรู้จักตัวรู้จึกตัวเนี่ยมันเอี่ยมจริงจริงด้วยผมว่าจันทร์ เมื่อมีความรู้ตัวอัฏฐะอยู่ที่นี่พจัญชนะอยู่ที่นี่อัฏฐะคือมันลึกซึ้งสัมปัตสัมปัตโลพรญัญชนะก็รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็ละความชั่วถ้ารู้สึกตัวก็ทําความดีถ้ารู้สึกตัวจิตก็บริสุทธิ์แล้วพรญัญชนะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นมัญญาเบื้องต้นทำกลา ง, างและที่สุด ต่อยเต้าไปเรื่อยๆพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วสิงนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันก็เป็นของที่ทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการวนที่จะเรียกกันมาดูให้เห็นด้วยเตืด้วยตาเราสำรวจดูความหลงเป็นยังไงความรู้จึกตัวเป็นยังไง เปลนควาหลงไปควารู้เปลี่ยนได้ไหมใครทาให้เราหลงใครทาให้เรารู้ไปอาศัยคนอื่นได้ไหมเป็นจรธรรมมันต้องเอาทําอกเองนี่คือจรธรรมถ้าเป็นจรธรรมสอนให้เราช่วยตัวเองเพ่งตนเองถ้าไม่ใช่ชจรธรรมต้องเพ่งคนอื่น สิ่ใดที่เป็นการเพิ่งกระตุนไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนคนเพึ่งตนเองแล้วถ้าการเพึ่งตนเองใครจะช่วยเราก่อนเราช่วยตัวเราก่อนถ้าเราช่วยตัวเราคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มี ถ้าเรามาช่วยตัวเราคุณพระพุทธประปธรรมก็สงฆ์ก็ไม่แม้แต่เรายกมือไหว้อ้อนวอนขอรอ้องก็ไม่ช่วยถ้าเราช่วยตัวเองอ่พระพุทธประปธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยเทวดาก็ช่วยเทวดาได้โลกเนี่ยถ้าตามปฏิปธรรม พ, พระสงฆพูดเราก็ให้เทวดาดูแลรักษาจัดโลก ถ้าใครทำดีก็ต้องไปช่วยถ้าเทวดาตนไหนไม่ช่วยคนดีเทวดาตนก็หัวแตกเป็นจิบเสียงใช่ไหมแต่เทวดาถ้าเห็นคนดีตกทุกข์กระยากเทวดาต้องช่วยเหลือบ้านเราเมืองเราเดี๋ยวนี้มีไหมวัดป่าสุกโตูมีไหมเทวด า, <laughs> าพ่อผืนนี้อะไรใครซื่อมากเลยบางทีก็ซื่อมาให้ผืนละหมืน่นเทวดาซื้อมหาห้ ถ้ามนุษย์อะไรที่ขอเงินแม่ไปค่าลองสับเปลไปค่าสับเปลวแตกสับเปลวแตกแล้วก็ไม่ยอมตายเพราะเอาเงินแม่มาจะไหวยอยู่นี่แหละหลกลางทะเลมหาสมุทรคิดถึงแม่ว่าเอาเงินแม่มาไปค่าขายจะไม่ทำมาเฉพาะทางช่วยตนเองเต็มที่ส่วน คนอื่นจมน้าตาแล้วแต่เทชื่ออะไรชื่ออะไรนะเราของจำหนาอ่ะนะโอยไม่ได้ยินดอกงนนูนอ่ะนั่นแะชื่ อ, อไรเจ้าหม้อมัน <c oughs> ใ, ใครรู้เองแล้วก็ว่ายอยู่นะวาไป่าไ ป, าปมีนางนางเมฆขลาเป็นเทวดาตัาวจดูเห็นมารดคนไหนว่าน้เาเยอะเยอะ โอ้ยจะว่าไปที่ไหนมันไม่เห็นตรงไหนจะว่ายังไงอนกคนหนึ่งว่อย่ามาเกี่ยวของเราจะว่ายเห็นไม่เห็นก็ไม่บอกจะว่ายไปเงี่ยใช่ไหมเออเมฆหลารเห็นก็อเขาช่วยตัวเอนใช่ไหมก็ไปปล่อยโจมลงไปถ้าเมฆขลามัช่วยเน่ะเมฆขลาหัวแตกกันสิบเขียงอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยด้ว เมเื่อเลี้วหมดแรงจนสลบเหน่วยในกลางทะเลแม่คราก็อ้อมไปไปพื้นได้ที่ฝั่งนวลเรื่องต่อไปเป็นไงนี่ถ้าคนดีคนช่วยตัวเองต้องมีคนมาช่วยเหลือเขาสงสารจากที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ก็มีคนช่วยเหลือมากมายอย่างมากก็มีพ่อแม่ของเราช่วยเรา มีเพื่อนมีมิตรมีผู้มีน้ำใจช่วยดูแลเราอยู่เพราะนั่นเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เราช่วยตัวเราอย่าอ้อนวอนศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนเป็นศาสนาแห่งการกระทำต้องสมบัติลกมือรู้จึดตัวรู้จึดตัวเริ่มต้นจากต้นนี้ไป ให้ทำอย่างนี้ให้พรปรีใหม่สปลบบานล้วเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเห็นแล้วพบเห็นมีสติพบเห็ น, นพบเห็นพบเห็ น, หนด้วยบทเรียนเฉื่อมากมายจากกายจากใจเราเนี่เป็นตําลาเล่มใหญ่เป็นพระสูตรเป็นพระวินัยเป็นพระอวิธรรม อยู่ในการในใจของคนทุกคนที่นั่งอยู่นี่ศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่บุญก็อยู่นี่บาปก็อยู่นี่สวรรค์ น, นิพพานก็อยู่นี่นาลกไปสุ่ลกายก็อยู่นี่ต้องเห็นแน่นอนสิ่งเหล่านี้มัเกิดจากอะไรมันไปยังไงเหมือนกับภาษาชื่อโลกโลกตา เราเห็นโลกเขาก็รักษ า, าได้เราเห็นความหลงรักษาความหลงได้เราเห็นความทุกข์รักษาความทุกข์เห็นความโกรธรักษาความโกรธได้จะไม่ได้เลยของอยางนอ น, นความหล ง, งหห ม, มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความทุกข์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความโกรธยิ่งใหญ่ขนาดไหนยอมมาเลยเออต้องขี่คอไปสักข้างหนึ่งนะ อีกไม่นานนีหลวงตาจะเอารูปปั้นมาไปจ้างเขาปั้นโน่นปักอำเภอคลองลีอำเภอจานทิมนมลลงปั้นไปจ้างเขาปั้นคนขี่เสือต่อไปจัดสวนทมที่หน้ากติจางคนให้ก็ไปประปุงดีเอาเหินมาโลยเป็นภาพต่างๆคนขี่เสือ มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ ข, ขึ้นหลังมากดยอมเลยอ้าปากเลยมันจึงเป็นมนุษย์เป็นพระได้ถ้าขี่เสือไม่ได้ไม่ประเสริฐถ้ายัางโกรธยังโลภยังหลงยังทุกยังทุกข์อยู่ไมเปเจออะไรขี้เลยกว่าไก่ <laughs> อเออบางก็มีด้วยประการจะได